กายทนใจให้เธอไม่เว้นหวังให้เธอเป็นผู้นำครอบครัว แรกแรกก็คิดว่าชีวิตเราพบแล้วพระเจ้าผู้มีเมตตาธรรมังธรรมโมนาหมดยังไม่กล้าจะค้าจะแก้ โคตรอย่างแรงเห็นเลยจะแจ้งนี่เธอคาฉันก่อนเคยสวยดมนต์อวยพรให้เธอตอนนี้พอเจอหน้าเธอฉับนั้น Nam a i t a เคยสวดมนต์อุ้ยพร ใ, ให้เธอตอนนี้พอเจอหน้าเธอชับลันสวดมนต์ให้เธอเหมือนกันม่ใช่อุยพรนั้นนั่ น, น, นแต่ฉันกรวดน้ำหา